พากันออกปากขอพัตตาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันในคณะโภชนะศิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเจ็ดพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอละกะโลมะสมุดฐาน